ณนะวัดป่าหนองบัวบานนี้เองนอกจากจะเป็นที่ภาวนาดีแล้วหลวงปู่ยังได้มีโอกาสพบเพื่อนพิสุรูปหนึ่งซึ่งในชีวิตสมณะเพศอันยาวนานในภายหลังต่อมาเกือบหกสิบพรรษาการนั้นได้เป็นกัลยะาณมิตรต่อกันตลอดมาพิสุรูปนั้นแม้จะมีอายุมากกว่าท่านกว่าสิบปีแต่เมื่อมีพรรษาอ่อนกว่าท่านเล็กน้อย ก็ไม่ได้ถือตัวประการใดคงใกล้คิดสนิทสนมร่วงปฏิบัติธรรมสนทนาธรรมแลกเปลี่ยนธรรมตากัดฉาต่อกันเป็นอย่างดีที่สุดท่านนั้นคือท่านที่เรารู้จักเราเคารพ บ, บูชา ก, กันในภายหลังในนามว่าหลวงปู่ขาวอนาลโยแห่งวัดถ้ำกลองเพนนั่นเองปกติหลวงปู่เป็นผู้เงียบขรึมพูดน้อย ไม่ค่อยสนิทกับใครง่ายๆหรืออีกนายหนึ่งท่านเป็นผู้เลือกคบมิตรท่านทราบดีว่ายาดิสันกุรุเตนิตตังยาดิสันจัตเส ว, วติโสปิตาติตโกโหติสหวาโสหิตาดิโสบุคลคลคบคนเช่นใดเป็นมิตรแตะต่องเศษคนเช่นใด เขาก็เป็นคนเช่นนั้นเพราะการอยู่ร่วมกันย่อมเป็นเช่นนั้นฉะนั้ น, น, นเมื่อท่านได้พบหลวงปู่ขาวได้เห็นความตั้งใจเพียรพยายามความเป็นปรารถนของหลวงปู่ขาวและในเวลาเดียวกันหลวงปู่ขาวก็ได้เห็นความตั้งใจมั่นในการปฏิบัติธรรมความเป็นปรารถนปิญญาของหลวงปู่ทั้งสองท่านจึงต่างเคารพ ในธรรมะของการและกันเป็นกาลยานามิตรเพื่อเฟื้อต่อกันท่านได้จำพรรษาอยู่ร่วมกันณวัดป่าหนองบัวบานถึงสาพรรษาจากปีพุทธศักราช2470ถึงปีพุทธศักราช2472ได้มีผู้เปรียบหลวงปู่ขาวและหลวงปู่ชอบว่าเหมือนพระสารีบุตรและพระโมคขลานะ สาเหตุหนึ่งทำให้มีการกล่าวเช่นนั้นคงจะเป็นด้วยในระยะแรกที่ท่านทั้สองรู้จักกันจากภาษาด้วยกันนั้นท่านต่างแสดงความประสงค์ที่จะก้าวล่วงกองทุกข์ให้ได้แต่ก็กาลังแสวงหาครูบาอาจารย์ที่จะช่วยสั่งสอนขัดเกล่ากระบลและสันดาลและชี้แนะทางคนทุกข์อย่างถูกต้องได้เหมือนอย่างพระสารีบุตร และพระโมกขลานะที่กําลังเป็นผู้แสวงหาครูอาจารย์แต่ยังไม่ได้พบพระพุทธเจ้าหลวงปู่ขาวและหลวงปู่ชอบระหว่างภรรษาแรกที่หนองบัวบานก็กําลังแสวงหาครูอาจารย์และยังไม่ได้พบท่านพระอาจารย์มั่นภูริชตะหาเถระเหมือนอย่างพระสาริบุตรและพระโมกขลานะก็ต่างไป็นเจ้หายกัน และให้สัญญาต่อกันว่าถ้าหากใครได้มีโอกาสพบอาจารย์สอนทางพทุกก่อนกันก็ขอให้ช่วยบอกกันด้วยหลวงปู่ผาวและหลวงปู่ชอบต่างเป็นสหายปฏิบัติธรรมจำพรรษาอยู่วัดเดียวกันชอบพออุปนิสัยซึ่งกันและกันต่างให้สัญญาต่อกันว่าถ้าหากใครได้พบท่านพระอาจารย์มั่นก่อนขอให้ช่วยบอกกันด้วย เหมือนอย่างพระสารีบุตรและพระโมกขลานะเมื่อองค์หนึ่งคือพระสารีบุตรได้มีโอกาสพบท่านผู้บอกทางพ้นทุกข์พระอัศจริท่านก็ชวนพระโมกขลานะเพื่อนของท่านไปเฝ้าพระพุทธเจ้าสำหรับหลวงปู่ขาวและหลวงปู่ชอบเมื่อองค์หนึ่งคือหลวงปู่ชอบได้มีโอกาสกราบท่านพระอาจารย์มั่นท่านก็ชวนให้หลวงปู่ขาว เพื่อของท่านได้ไปกราบครูบาอาจารย์บ้างท่านได้เป็นกาลยานามิตรต่อกันตลอดมาได้เดินทางทุดงด้วยกันเมื่อต่างได้มากราบท่านพระอาจารย์มั่นถวายตัวเป็นศิษย์รับคำสอนจากท่านแล้วก็แยกย้ายกันออกปฏิบัติธรรมตามจริตนิสัยของแต่ละองค์บางเวลาก็ร่วมเดินทุดงเผชิญความเป็นความตายด้วยกันบางเวลา ก็แยกออกไปแสวงหาสัจธรรมบางเวลาก็ติดตามครูบาอาจารย์ไปทางภาคเหนือด้วยกันเป็นสิบปีชวนกันกลับมาภาคอีสานบ้านเกิดด้วยกันบำเพ็ญธรรมเพื่อประโยชน์ตนเองและหมู่คณะแล้วก็สั่งสอนสาธารณิ์ของแต่ละท่านในหลักธรรมอันเป็นแนวเดียวกันแต่หนุ่มจนญาิเข้าสู่วัยชารา แต่เมื่อเป็นผู้แสวงหาจนเป็นผู้ปล่อยวางได้รับความเคารพเรื่อมใสศรัทธาจากประชาชนทั่วประเทศเช่นเดียวกันท่านได้พบปะเยื่อเยอนแสวงธรรม า, า ก, กัญชาต่อการเป็ น, นิตให้บรรดาศิษย์ได้มีโอกาสกราบคูชาระคุณเจ้าทั้งสองคู่กันจนกระทั่งองค์หนึ่งพระคุณเจ้าหลวงปู่ขาวอนาลโยได้ล่วงรับ จับขนันวิภานไปก่อนเมื่อวันที่16พฤษภาคม2526ที่ผ่านมานี้โยเวกะตันยูกัตะเวดีทีโรกาลยานามิโตดันหัพัติจะโหติทุกคิตัตจักสักกัจจโกโรติกินจังสัทธาวิภัง สัพปริสังวดันติบุคคลผู้มีปริชาใดาเป็นคนมีกตัญญูกตะตะเวทีหนึ่งมีกรละยานนมิตสนิสนมกันหนึ่งช่วยทำกิจของมิตรผู้มีทุกโดยเต็มใจหนึ่งท่านเรียกบุคคลผู้นั้นว่าสัตบุรุษตอนที่แต่พบท่านพระอาจารย์มั่นหลวงปู่บวชแล้วถึงสีส่ปีจึงได้มีโอกาสพบ ท่านพระอาจารย์มั่นภูริพัตมหาเถระความจริงพระอาจารย์พาอาจารย์องค์แรกผู้ผ่าท่านออกดําเนินทางธรรมโดยให้เป็นพระข่าวน้อยเดินลุปขมูลไปกับท่านจนกระทา่งเป็นทุระให้ท่านบวชเนรก็ประสิทธิองค์หนึ่งของท่านพระอาจารย์มั่นท่านเคยเคารพเลื่อมใสพระอาจารย์พาอาจารย์ของท่านมากและอดคิด แปลกใจไม่ได้ที่ท่านพระอาจารย์พาเล่าให้ฟังถึงท่านพระอาจารย์มั่นอาจารย์ของท่านด้วยความเคารพเทิดทูนอย่างสูงสุดท่านว่าพระอาจารย์พาเคร่งครัดในเรื่องข้อวัดปฏิบัติมากอยู่แล้วแต่ท่านพระอาจารย์พาบอกว่าท่านพระอาจารย์มั่นเคร่งครัดในเรื่องข้อวัดปฏิบัติมากที่สุดท่านว่า พระอาจารย์พาฉลาดรอบรู้ในการเทศนาธรรมมั่งอยู่แล้วแต่ท่านพระอาจารย์พากล่าวว่าท่านพระอาจารย์มั่นอาจารย์ของท่านฉลาดรอบรู้ในการเทศนาธรรมด้วยกว้างขวางพิสดารมากที่สุดท่านว่าพระอาจารย์พาอ่านใจคนได้มั่งอยู่แล้วแต่ท่านพระอาจารย์พายืนยันว่าท่านพระอาจารย์มั่นอาจารย์ของท่าน อ่านใจคนดักใจคนรู้จิตคนได้ทุกเวลาทุกโอกาสมากที่สุดท่านพระอาจารย์มัน่นเป็นผู้ปฏิบัติทีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบขึ่งในสมัยนี้ยากจะพบพระผู้เป็นพระอันประเสริฐผู้เป็นนาบุญอันเลิศยากจะหานาบุญใดมาเทียบได้ควรที่ผู้สนใจไฝทางธรรม อย่างเชนี้จะไปกราบกราบขอถวายตัวเป็นศิษย์ครันหลวงปู่ได้ฟังก็อดอิตแปลกใจไม่ได้ว่าในโลกปัจจุบันนี้ยังจะมีบุคคลผู้ประเสริฐเลิดอลอยเช่นนี้อยู่อีกหรือแม้แต่อาจารย์ของท่านบอกไว้ท่านก็จดจำไว้คอยสนียกฟังข่าวท่านพระอาจารย์มั่นยู่ตลอดเวลาและต่อมาเมื่อป่ารบกับใคร คิติสัมพิติกุลของท่านพระอาจารย์มั่นก็ดูจะเป็นที่เรื่องรือและเบือมากขึ้นท่านจึงคอยหาโอกาสจะเข้าไปกราบถวายตัวเป็นศิษย์อยู่ตลอดเวลาระหว่างที่ท่านบวชจำาัญญาคือทางยาโสธรหรือนครพนม ก, ก็ได้ข่าวว่าท่านพระอาจารย์มั่นพักบำเพ็ญอบรมพระเนรอยู่ที่อุดรและหนองคายพอท่านมาอยู่อุดร ก็ดีนข่าวท่านพระอาจารย์มั่นออกจากกุดอนเค่อเไปตามหมู่บ้านแถบอำเภอวรินชภูมิพั ง, งคอนสว่างแกดนินหวานนนทีวาทอากาศอำนวยในจังหวัดสกล น, นครท่านไม่มีโอกาสได้จังหวัดสักครั้งและเป็นการยากอย่างยิ่งที่จะติดตามไปพบท่านพระอาจารย์มั่นโดยง่ายเพราะสมัยนั้น เส้นทางคขบวนาคมแต่ลําบากไม่ต้องพูดถึงถนนลาดยางเช่นทุกวันนี้แม้แต่ทางรถยนต์ระหว่างจังหวัดต่อจังหวัดอำเภอต่ออำเภอก็ยังไม่ค่อยมีมีแต่ทางเกวียนทางเดินเท้าโดยเฉพาะท่านพระอาจารย์มั่นพาอบรมพระเนรในหมู่บ้านที่อยู่ในปากเขาการคับวนาคมก็ยิ่งลําบากยากแสนเกศมากไปอีก การเดินทางต้องเป็นไปด้วยเท้าเป็นส่วนใหญ่แต่ในที่สุดหน้าแ้งนั้นหวงปู่ก็ได้มีโอกาสไปกราบท่านพระอาจารย์มั่นณเสนาสนัปา่าบ้านสามโพงอําเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมท่านพระอาจารย์มั่นพักอบรมพระเนนที่หมู่บ้านตามเขตอําเภอต่างๆในจังหวัดสกลนกครพอสมควรแล้วท่านกะเที่ยวต่อไป เข้าไปในเขตจังหวัดนครพนมโดยเฉพาะที่อำเภอสีสงครามซึ่งยังมีบูบ้านที่เต็มไปด้วยป่าดงบงทึอบอยู่มากเช่นที่บ้านโนนแดงดงน้อยคำนกกกเป็นต้นและท่านก็มาหยุดอยู่ที่บ้านสามผงซึ่งเป็นที่หลวงปู่ได้โอกาสเหมาะพอดีท่านละว่าการเข้าไปกราบนวัสฏารท่านพระอาจารย์มั่นครั้งแรก พอวางบริขาลงก็โดนท่านดุลั่นสะเพิดให้ออกจากสมัครทันทีท่านตกใจและงงด้วยไม่ทราบต้นสายปลายเหตุแต่ยันใดระหว่างกำลังชื่นชมความเงียบสนัดสงบร่มเย็นของสถานที่เห็นภาพพระเน่งก็นั่งอยู่กันอย่างสำรวมระหว่างตัวจู่ๆก็เหมือนถูกสายฟ้าฟาดลงมาอย่างไม่มีวี่แววอายุฝน ล, ลูกหน้า ท่านเองก็ยังไม่เคยทราบนิสัยท่านพระอาจารย์มัน่นเมื่อท่านพระอาจารย์มั่นไม่ให้อยู่ก็กราบลาท่านที่ได้นึกได้เถียงขัดแย้งอะไรท่านล่าว่าท่านกลัวพระอาจารย์มัน่นมากจนพูดอะไรไม่ออกบอกอธิบายอะไรไม่ถูกได้แต่เก็บบาตและบริขารเสร็จแล้วก็ออกเดินทางไปในสมัยนั้นล้อมรอบที่พักท่านพระอาจารย์มัน่น จะมีสำนักที่พักพระ อ, อื่นอยู่ในบริเวณไม่ห่างไกลนักโดยท่านไม่ชอบให้มีพระอยู่ในเขตสำนักของท่านมากนักโดยมากจึงมักจะหาสำนักที่พักให้ห่างพอกไปพอควรในเขตระยะที่อาจจะมาฟังเทศและฟังอุบายธรรมะจากท่านได้โดยสะดวกเท่านั้นดังนั้นหลวงปู่จึงได้ไปพักอยู่อีกสำนักหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลกันนัก ด้วยความเหมาะสมดังกล่าวแล้วและอีกประการหนึ่งถ้าจะไปต่ออีกก็มืดค่ำแล้วท่านกล่าวว่าจะค้างคืนสักคืนหนึ่งก่อนตอนเช้าฉันเสร็จแล้วค่อยออกเดินทางต่อไปรุ่งขึ้นวันใหม่หลังจากที่ฉันเสร็จแล้วขณะ ก, กําลังเก็บบริการเตรียมตัวจะออกเดินทางก็พอดีมีพระนีรสองรูปเข้ามากราบเปลี่ยนท่านว่าท่านพระอาจารย์มั่น ให้มาตามท่านกลับไปท่านให้มาตามท่านกลับไปกลับพระเนนยืนยันเมื่อลุงปู่สงสัยดังนั้นหลวงปู่ก็เลยตกลงใจกลับไปอีกครั้งหนึ่งเมื่อกลับไปถึงกราบท่านพระอาจารย์มั่นครั้งที่สองนี้ดูท่านเปลี่ยนไปเป็นคนละคนกับครั้งแรกท่านทักทายพูดคุยด้วยมีเมต้ายิ้มแยม้มแจ่มใสไม่มีกิริยาดุดันเหมือนวันวน ถ้าจะเปรียบกันท้องฟ้าซึ่งเมื่อวันวานมีพายุใหญ่เมฆฝนมืดคลุมวันนี้ท้องฟ้ากลับปลอดโรง่งแจ่มใสมีสีน้ำเงินงามพอสนธนาปราศัยนักถามความประสงค์การบำเพ็ญภาวนาที่ปฏิบัติมาเรียบร้อยแล้วท่านพระอาจารย์มั่นก็บอกให้พระเนรจัดกุฏิที่พักให้เป็นอย่างดีไม่มีใครทราบแน่ชัดว่า เหตใดครั้งแรกท่านพระอาจารย์มัน่นจิงแสดงริยาเหมือนมรดเกียรไล่หลวงปู่แต่เพียงเช้าวันรุ่งขึ้นก็ให้ตามมาหาและแสดงความเมตตาสนิดสนมคุ้นเคยเป็นอย่างดีเคยกราบเรียนหลวงปู่ท่านก็ยินยิไม่ต่อประการใดจิตดุนหลังบางคนเชื่อว่าอาจจะเป็นเรื่องครั้งแรกท่านมองเห็นถลกบาทของหลวงปู่เป็นสีจัดจ้า และเป็นดอกดวงด้วยในสมัยระยะแรกๆนั้นรักกรรมฐานยางเพิ่งปรากฏอภิบริคารเช่นสบงชีวรก็ยังม่ได้เครื่อนครัดในเรื่องสีแก่นขนุนปรากฏในประวัติภายหลังว่าแม้หลวงปู่อ่อนยา น, นัิริและหลวงปู่ฟันอาจารโรวันหนึ่งเมื่อขั้นทั้งสองกลับจากคดงมากราบท่านพระอาจารย์มั่น ก็ถูกท่านทักทันทีว่าพระเจ้าชูได้ความว่าท่านทั้งสองใช้จีวรสีฉูดฉาดดันที่มีขายทั่วไปในตลาดต่างจังหวัดทั้งนั้นต่อมาภายหลังศิษสายท่านพระอาจารย์มั่นทุกองค์จึงสังวรระวังเรื่องเครื่องอัฐบริฐารนี่ให้ถูกตําหนิจากครูบาอาจารย์เลยหลวงปู่ เพิ่งจะเข้าไปกราบท่านไม่ทราบเรื่องราวพวกนี้ถัลบาทนั้นก็ซื้อหาเอาจากตลาดต่างจังหวัดซึ่งมักจะเป็นร้านซึ่งไม่พิถีพิถันระวังรุ่นสีสันกต่แต่ว่ามีผ้าอะไรก็จะ ย, ย็ดขายเหตุนั้นถัลบาทพระที่วางขายโดยมากจึงมีสีฉูดฉาดบาดตาและบางทีก็เป็นดอกดวงไม่งามตาควรแกจามเพศ เม่รูก ป, ปู่ใช้ของเช่นนั้นจึงถูกท่านดุเอาและไล่ให้หนีครั้นต่อม า, ามท่านพระอาจารย์มั่นพิจารณาเห็นว่าพระใหม่ผู้นี้คงไม่ตั้งใจจะกระทำได้ถูกต้องและอนาคตต่อไปจะเป็นสิทธิสำคัญของท่านผู้หนึ่งท่านจึงให้ไปตามกลับมานั่นเป็นความคิดประการหนึ่งแต่มีหลายท่านที่เชื่อกันว่า เป็นอุบายลองใจของท่านพระอาจารย์มั่นที่ท่านมักจะใช้ทดสอบจิตใจจิตของท่านบางคนผู้เขียนเคยได้ยินอยู่ปู่อีกองค์หนึ่งเล่าให้ฟังว่าท่านมักจะถูกทดสอบเช่นนี้หลายครั้งโดยท่านพระอาจารย์มั่นได้ให้หนีไปไปเจ้าผีบ้าออกไปเมื่อท่านเก็บบัตรเก็บทีวรมากราบลาท่านพระอาจารย์มั่นก็ทำหน้าเฉย ถามจะไปไหนไปทำไมใครบอกให้ไปเป็นเช่นนี้หลายครั้งหลายคราได้ความว่าเป็นอุบายของท่านที่จะทำกริยาดูขู่เข็นคำรามดูสิตของสิ์ว่าจะอ่อนรากคำรบครูบาอาจารย์ไหมหรือเมื่อถูกดูถูกด่าก็จะโกรธแสดงความอาฆาตซึ่งถ่าจะเป็นเช่นนั้น ก็จะต้องเที่ยวหรือกำราบหรือทรมานให้จิต ด, ดวงประยชนั้นอ่อนซีโรราบลงตอนที่เก้าโปรดโย ม, มานดาดังที่ได้กล่าวแล้วว่าหลวงปู่จากบ้านออกไปถือจินแปดเป็นพระข่าวน้อยทุดงไปกับท่านพระอาจารย์แต่เมื่ออายุสิบสี่ปีกลับมาบ้านชั่วคราวสั้นก็ไปเป็นพระขาวอีก และออกบวชเป็นสา ม, มเณรจนกระทั่งเป็นพระพิสุตลอดช่วงเวลา10กว่าปีนี้แทบจะไม่ให้มารดาญาติพี่น้องได้ชื่นชมโดยใกล้ชิดเท่าไหร่เมื่อท่านยอมมาจำพรรษาที่วัดป่าหนองบัวบานจังหวัดปุดอาธานีเมืองเดียวกันตำบลเชียงพินบ้านญาติพี่น้องพำนักอยู่โยมมารดาจึงดีใจด้วยได้มีโอกาส ไปส่สนิบัติวัดฐานพระได้บ้างระหว่างที่มารดามาถวายจังหันหรือฟังเทศที่วัดก็ดีหรือเมื่อพระได้ไปเทศโส ท, ที่บ้านก็ดีหลวงปู่ก็ได้มีโอกาสตอบแทนพระคุณโยมมารดาผู้เป็นบุพก า, ารีของท่านเป็นปกติรมามาติมาตาปิตโรุปพาจาริยาติภุจเร อากุเนยาจะพุตานังปัชชายะอนุกรรมปากามานดาบิดาท่านว่าเป็นพรมเป็นบูรพาจารเป็นผู้ควรบูชาของบุตรและเป็นผู้อนุเคราะหม์มูตัดหลวงปู่ไดให้ความอนุเคราะห์ท่านผู้เป็นพรมเป็นครูอาจารย์คนแรกเป็นผู้ควรบูชาของท่านตามควรแก่สมณเพศวิสัย โดยช่วยเทพกลอบเราให้จิตของโย ม, มารดาเพิ่มพูนศรัทธาบา ร, รมีในพระพุทธศาสนาแต่แรกโย ม, มารดาได้มารักษาศีลแปอยู่ด้วยที่วัดก่อนสุดท้ายครั้นเมื่อศรัทธาปะจาทาของท่านเพิ่มพูนมากขึ้นเห็นทางสว่างทางด้านศาสนาโย ม, มารดาก็ปรงใจสละเพศคารวะโกนผมบวช น, นชี หลวงปู่ล่าว่าท่านไม่ได้พูดจาเป็นเชิงบังคับชักจูงให้โยมมารดาของท่านบวชชีเลยโยมมารดามีศรัทธาขอบวชเองเมื่อเห็นผลในการภาวนาประจากักษ์แจใจของท่านแล้วโยมมารดามาจับภาษาอยู่ด้วยที่วัดป่าห น, นองบูบานถึงสองภาษาเป็นโอกาสอันดีที่หลวงปู่ จะทำหน้าที่บุตรที่ดีตอบแทนเมื่อคุณบุพการีโดยบินทบาทมาได้ก็แบ่งให้โยมมารดาก่อนมีเวลาเทศนาสอนในการภาวนามารดาก็น้อมใจเชื่อและกระทำตามเกิดความอัศจรรย์ในจิตทำให้มีศรัทธาเชื่อมั่นในธรมยิ่งขึ้นการภาวนาของโยมมารดาเป็นผลกระทั่งในเวลาต่อมา ได้ประสบภาพนิมิตเป็นผลช่วยให้ชีวิตของหลวงปู่ผ่านพ้นอันตรายมาได้อย่างอัศจรรย์ยิ่งซึ่งจะได้กล่าวถึงในภายหลังโยมมารดา ข, ของท่านพบความสุขสงบในเทศปรมจันทร์รู้จักทางภาวนากระทั่งบอกหลวงปู่ไม่ต้องเป็นห่วงท่านท่านรู้แล้วในพระลูกชายทุดกเชื่อเวกไปได้ตามใจท่านจากไปอย่างสงบ ระหว่างหลวงปูป่ในเทวิเวกที่สมาโยมารังปิตตังวามจโจธรรมเมนะโปสติอิเทวนาประสังสันติเศรษัาเกปะโมดติผู้ใดเลี้ยงมารดาบิดาโดยธรรมบัณฑิตยอ่อมสรรเสริญผู้นั้นในโลกนี้เขาละไปแล้วยอบบ่อมบรรเทิงในสวรรค์ตอนที่๗ พบกู่กัลยาณมิตรอีกองหนึ่งในปี2473อันเป็นภรรษาที่หกของท่านนั้นเดิมหลวงปู่คิดว่าท่านจากวัดป่าหนองบัวบานที่จำพรรษามาถึงสามปีติดต่อกันนี้ไปจําพรรษากับท่านพระอาจารย์มั่นแต่ท่านพระอาจารย์มั่นได้หนีจากหมู่คณะไปจังหวัดเชียงใหม่แล้วแต่ในปลายปี 2,472 ชวนที่ลุงปู่จะกลับมาจบบรรษาที่วัดป่าน้องบวบานดังเดิมท่านก็คิดว่าหลังจากที่ได้จำบรรษามาถึงสามปีติดต่อกันแล้วก็วควรจะหาที่สงัาวิเวกแห่งใหม่ต่อไปเพราะธรรมชาติของมนุษย์นั้นเมื่ออยู่ที่ใดนา น, านๆก็มักจะมีความสนิทสนมคุ้นเคยต่อบุคคลในระแวกนั้นต่อสถานที่บริเวณนั้น อย่างที่เรียกกันว่าติดตระกูลติดถิน่นติดที่อยู่พระธุดงจะต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดอาการติดตระกูลติดถิน่นติดที่อยู่ขึ้นได้เพราะจิตซึ่งปกติมักพอใจจะสยบต่อความคุ้นเคยสะดวกสบายอยู่แล้วอยู่ที่ใดนานๆก็คุณกับญาติโยมคุณนกับสถานที่จิตก็จะยอมลงต่อกิเลส ชอบชอมกับกิเลสไม่เป็นอันพยายามทำความภาคความเพียรชอบอาหารเลหวานมันเค็มอย่างไรญาติโยมก็จะสแสวงหา ม, มาถวายชอบเสนาสนะอย่างไรสะดวกสบายอย่างไรญาติโยมก็จะจัดสร้างถวายจิตที่เคยว่องไวปาดเรียวก็จะซุกตัวเงียบลงเงียบรงจนขนาดที่เรียกกันว่าภาวนาไม่ขึ้นภาวนาไม่ก้าวหน้า หรือความจริงคำว่าไม่ก้าวหน้าก็คือถอยหลังนั่นเองถอยหลังไปถอยหลังมาสุดท้ายก็ถึงกับต้องศึกษาลาเทศไปก็มากดังนั้นถ้าเล่ากันว่านักภาวนาจะต้องเป็นผู้ไม่ติดตระโกลไม่ติดญาติโยมไม่ติดถิน่นไม่ติดที่อยู่หรือแม้แต่ติดอากาศติดร้อนติดหนาวก็ไม่สมควรด้วยเช่นกัน ร้อนเกินไปหรือหนาวเกินไปหรือต้องทดลองให้มันรู้แจ้งกันลงไปให้จิตมันชนะกิเลสลงไปให้แจ้งชัดถ้าญาติโยมคุ้นเคยพลุกทีมากไปก็ต้องหนีถ้าที่อยู่สะดวกสบายเกินไปมีความมักคุณเกินไปก็ต้องหนีเช่นกันไปสถานที่ใหม่พบญาติโยมกลุ่มใหม่จิตจะตื่นระวังตัวอยู่เสมอ การบำเพ็ญเพียรภาวนาจึงจะ ก, ก้าวหน้าไปด้วยดีตลอดเวลาที่จำพรรษาที่ชิหนงบัวบานสามปีหลวงปู่คิดว่าท่านได้ให้โอกาสญาติตระกูลของท่านมาทำบุญฟังเทศธรรมพอสมควรแล้วและที่สำคัญการช่วยอนุเคราะห์โยมมารดานั้นท่านก็ได้ประคับประคองโยมมารดาพาดำเนินมาในทางธรรมจนแทบจะกล่าวได้ว่า โยมมานดาสามารถเป็นที่พึ่งของตัวเองได้ตามสมควรแล้วความจําเป็นที่จะอยู่วัดป่าหน้องบัวบานให้เ น, น, นานต่อไปสําหรับอนุเคราะห์โยมมานดาจึงไม่มีอีกเมื่อเหตุผลทุกข้อลงตัวกันท่านก็จากมาจำปัสสาวที่ 6, หกณวัดป่าบ้านหนองวัวตอวัดนี้ยู่ในเขตจังหวัดอุดอรเช่นกันเช่นเดียวกับ วัดป่าหนองัวบานและณที่วัดนี้เองท่านก็ได้จำพรรษากับกัลยาณมิตรอีกองหนึ่งเหมือนกับที่ท่านอยู่วัดป่าหนองัวบานเช่นกันกัลยาณมิตรองใหม่ของท่านนี้ได้อุปสมบทโดยมีท่านเจ้าคุณธรรมเจดีจูมพันธุโลเป็นอุปชาเช่นเดียวกับหลวงปู่ขาวอนาลโยกัลยาณมิตรองก่อนของท่านและความจริง คู่กัลยาณมิตรทั้นสองของหลวงปู่ได้บวชปร้อบกันเป็นกุ้นากซ้ายขวาของกันและกันโดยหลวงปู่ขาวอนาลโยได้บวชเป็นนาคซ้ายภายหลังท่านบวชเป็นนาขวาสิบห้านาทีกั ล, ลยาณมิตรที่ได้ท่านได้จำป่าด้วยกันณวัดป่าบ้านหนองวัวซอคือท่านผู้ซึ่งประชาชนรู้จักกราบไหว้กันในนามหลวงปู่หลุย จันทะสาโรแห่งวัดั้ำผาบิงนั่นเองหลวงปู่รุ่ยและหลวงปู่ชอบต่างมีกำเนิดเป็นชาวจังหวัดเลยด้วยกันจึงคบกันด้วยความสนิทสนมคุ้นเคยและภายหลังเมื่อท่านต่างไล่เลียงวันเดือนปีก็ปรากฏว่าต่างเกิดในวันเดียวปีเดียวกันคือในเดือนสามปีฉลูหรือในเดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช2444และแม้วันเกิดก็เกือบจะเป็นวันเดียวกันห่างกันเพียงวันเดียวคือท่านเกิดวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2444ส่วนหลวงปู่หลุยเกิดวันที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2444โดยหลวงปู่หลุยเกิดก่อนท่านหนึ่งวันเท่านั้นอย่างไรก็ดี โดยทิพทะทุดวงกรรมฐ า, านนี้เคร่งครัดในธรรมวินัยทุกข้อโดยเฉพาะเคารพกันในเรื่องพรรษาทุกท่านจะสอนสิทธิของท่านเสมอว่าผู้บวชที่หลังจะต้องเคารพผู้บวชก่อนผู้บวชคือผู้เกิดใหม่ในศาสนามีคำที่เรียกพระพิสุว่าธวิชาติหรือผู้เกิดสองครั้งเกิดครั้งแรกชาติแรกคือเกิดเป็นมนุษย์เกิดครั้งที่สอง ชาตที่สองคือเกิดในพระพุทธศาสนาเป็นพุทธบุตรพุทธชิโนรดผู้บวชก่อนก็คือผู้เกิดก่อนเป็นพี่ผู้บวชทีหลังคือผู้เกิดทีหลังเป็นน้องผู้เป็นน้องก็ย่อมต้องเคารพผู้เป็นพี่ชายเป็นธรรมเนียมนิยมเป็นอริยะประเพณีของผู้เจริญท่านเคร่งครัดแม้บวชก่อนหลังเพียงห้าถึงสิบนาที ก็จะต้องเคารพกันการเคารพกันไม่ใช่ยินมยิให้กันหรืออย่างเก่งก็ยกมือไหว้พอผ่านไปถ้ามาพบกันท่านก็ลงกราบกันอย่างนอบน้อมเพื่อท่าเบงจค้าบประดิษฐ์นั่งกระโยคคุกเขา่าสอกสองข้างมือสองมือและศีรษะทั้งห้าจุดจดพื้นเจตการเคารพตามธรรมวินยัยแล้วท่านจริงจะ โอภาปราศัยกันเรื่องนี้พวกเราได้สังเกตเห็นตริยากราบกันของท่านด้วยความศรัทธาหลายต่อหลายครั้งที่เราเคยรบเรา้ากราบไหว้ขอท่านเมตตาพาเราไปกราบองค์อื่นและเมื่อท่านถามก็รับกับท่านตรงๆว่าชอบดูท่านกราบกันท่านหลายองค์ได้ยินคำพูดประหลาดเป่ น, เปนๆเฉยๆของชาวกรุงเทพ ก็อดขันไม่ได้แต่ท่านคงไม่ทราบว่าพวกเราหมายความเช่นนั้นจริงๆเป็นความทราบถึงศรัทธาอย่างยิ่งที่ได้เห็นท่านอาจารย์แต่ละองค์ซึ่งเมื่อท่านอยู่ในสำนักของท่านท่านก็มีชื่อเสียงได้รับความเคารพอย่างสูงจากพระนในสำนักและประชาชนทั่วไปแต่เมื่อไปพบกันท่านก็จะกราบ ก, กันตามประเพณีของผู้เกิดในทวิชาต อย่างนอบน้อมผอมองค์ไม่คํานึงเลยว่าองค์นี้มีชื่อเสียงเลื่องลือเป็นที่รู้จักมากมายทั่วประเทศอีกองค์หนึ่งออกจากต่ามาไม่ค่อยมีคนรู้จักหากมีราษาน้อยกว่าองค์ที่มีชื่อเสียงเลื่องลือก็รีบกราบเคารพพี่ชายของท่านทันทีเสนจริยาวัรที่งดงามงามตาที่สุดงามตา เป็นเบื้องต้นแก่ผู้ปฏิบัติงามตาเป็นท่ามกลางแก่ผู้พบเห็นและงามตาเป็นที่สุดแก่ผู้ยึดถือระเบียบปฏิบัติสืบทอดพระศาสนาต่อต่อกันมาพวกเราจินกระภาพงามตาเย็นใจเช่นนี้ตลอดมาฉะนั้นจึงอดรู้สึกขัดเขินในตาไม่ได้เมื่อบางครั้งไม่เห็นพระบางคณะบางองค์ที่ไม่แสดงกิริยามารยาท จำรวมเอารพในอาวุธโสพรรษากันตามควรวันที่รู้สึกขัดเขินในตาที่สุดเห็นจะเป็นครั้งหนึ่งขณะผู้เขียนกําลังเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชที่เพิ่งหายจากประชวนทรงอยู่ในระยะพักฟืน้นได้มีพระสงฆ์คณะหนึ่งเข้ามาเฝ้าเยี่ยมพระอาการด้วยขณะนั้นสมเด็จพระสังฆราชประทับอยู่บนพระเก้าอี้มีพระสงฆ์และคารวะเฝ้าอยู่บนรม แต่คณะแขกผู้มาเยี่ยมพระอาการยังยืนรีรออยู่คงจะรอให้มีใครจัดหาเ ก, ก้าอี้มาให้ท่านนั่งบ้างแต่รออยู่ไม่มีเก้าอี้มาท่านทุกองค์ก็เลยยืนไหว้กำเด็จพระสังฆราชในความว่าสากท่านเป็นพระที่มีสมณะเป็นพระราชาคณะท่านคงไม่ทราบว่าได้ทําให้เกิดความรู้สึกขึ้นในใจของพวกคารวาสในที่นั้นอย่างไร และอย่างน้อยก็ได้มีความรู้สึกเกิดขึ้นเป็นเสียงจากปากของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเธอถามขึ้นด้วยเสียงไม่เบานักว่าเอ๋เขามีวินัยห้ามพระกุณเจ้ากราบสมเด็จพระสังฆราชหรือคะหลายคนเกือบสะดุดปากถามออกไปเหมือนกันนั่นสิวินัยพระห้าพระราชาคณะนั่งบนบรมกราบสมเด็จพระสังฆราชด้วยหรื อ, รอสมเด็จพระสังฆราช ท่านทรงเป็นราชาแห่สงสงศ์ดำรงตำแหน่งสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคข ต, ตยานทรงเป็นสกลมหาสังขปรินายกและทรงมีพระภาษาแก่กว่าแก่กว่ามากด้วยผู้เขียนนึกถึงภาพหลวงปู่ฟันอาจารเมื่อไปเยี่ยมหลวงปู่ขาวอนารโยซึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้หลวงปู่ฟันก็ก้กมลงกราบที่พื้นอย่างนอบน้อมท่านพระอาจารย์จวน กุลเชษโถผู้มีอายุแก่กว่าพระพระอาจารย์วันอุตมโมถึงสองปีแต่เมื่อพรรษาของท่านอ่อนกว่าท่านพระอาจารย์วันท่านก็ก้มโลงกราบพระพระอาจารย์วันที่พื้นด้วยความเคารพนอบน้อมเช่นกันยังไม่เคยเห็นท่านยืนไหว้กันสต่ครั้งเดียวต้องขอโทษท่านผู้อ่านที่เขียนนอกเรื่องไปได้เป็นคุ้งเป็นแกลวตั้งใจจะกล่าวเพียงว่า แม่หลวงปู่หลุยจันทสาโรท่านจะเป็นผู้มีอายุแก่กว่าหลวงปู่ชอบแต่เมื่อพรรษาท่านอ่อนกว่าดูเหมือนเทียงสามเดือนเวลาท่านพบหลวงปู่ชอบท่านก็กราบหลวงปู่ชอบด้วยเบญจางคปดิษฐ์อย่างนอบน้อมผ่อมองค์เสมอกราบตามพระธรรมวินยัยแล้วสิงสรทนาปราศัยกันเป็นกัลยาณมิตรต่อกันร่วมปฏิบัติธรรม ร่วมครูบาจารย์องค์เดียวกันสนทนาธรรมะแลกเปลี่ยนธรรมะสากกะฉาต่อกันตั้งแต่เมื่อเป็นพระพรรษาในน้อยจนเป็นพระเถระผู้ใหญ่ตั้งแต่เมื่อเป็นผู้สแสวงหาโมฆธรรมจนเป็นผู้หมวดสงศ์ใสในพระธรรมคำสัสอนของพระพุทธองค์ได้รับความเคารพเลื่อมใสศรัทธาจากประชาชนทั่วประเทศคู่เคียงกัน ชื่อพระคุณเจา้าคู่หลวงปู่หลุยหลวงปู่ชอบเป็นคู่มิ่งขวัญคู่ที่กวนอัญชลีคู่อัญญมณีบนยอดมงกุฎแห่งจังหวัดเลยเป็นเสมือนคู่พ ร, ระปฏิมาทองคำอันเปล่งประกายบนแท่นสักการะฉนั้นที่กวนได้การบูชาครวะอย่างสูงสุดเหมือนกับเรารู้สึกต่อการานมิตรของท่านอาทิ พระคุณเจ้าหลวงปูขาวอนารโยหรือพระคุณเจ้าหลวงปูแหวนสุจินโนมีชาติกำเนิดในจังหวัดเลยเช่นเดียวกันที่วัดป่าหนองวัวจอ น, นั้นมีสภาพาเป็นป่าดงพงทึบมากกว่าที่วัดป่าหนองโบบานมากด้วยที่วัดป่าหนองโบบานนั้นได้พ้นจากสภาวะป่าชัดมาเป็นป่าช้านานแล้วแม้ว่าจะกลายเป็นวัดราง แต่ร่องรอยของความเป็นเมืองก็ยังมีอยู่ไม่ใช่มีสภาพเป็นป่าจริงๆอย่างที่หนองวัวตอท่านอธิบายว่าป่า ท, ที่เป็นป่าจริงๆหมายถึงป่า ท, ที่บริบูรณ์ด้วยต้นไม้ใหญ่สูงเสียด ฟ, ฟ้าเมื่อเพิ่มช่วงใดที่ต้นไม้ยังไม่ใหญ่ขนาดํานวนของท่านหมายถึงใหญ่จริงๆแต่ก็มีเถาวัลรกเหลยวปกคลุมหนานแน่น น้ำไยัยน้ำหวายเต็มไปหมดที่สำคัญคือน้องวัวซออุดมด้วยสัตว์ป่านานาชนิดทั้งสัตว์เล็กอย่างกระต่ายไก่ปา่านกกลีงข้างบางชนีทั้งสัตว์ใหญ่อย่างเสือกระิ่งหมูปา่าเม่นหมีโดยเฉพาะเจ้าป่าใหญ่อย่างช้างปา่าจะผ่านมาในเยดวัดไม่ได้ขาดสำหรับเสือนั้นมีมากมาย ได้ยินเสียงวันร้องคลางแทบทุกเคินทั้งมนุษย์และสัตว์ต่างก็อาศัยเืินแผ่นดินในโลกเป็นที่อาศัยเช่นเดียวกันไม่ได้มีการปักป้ายกั้นเขตแดนไปว่านั่นเป็นเขตของมนุษย์นี่คือเขตแดนของสัตว์ถ้าทินใดแดนใดมีสัตว์ทำนักพักพิงอยู่มากกว่าก็เรียกกันว่าป่าแต่ถ้าต่อมามนุษย์เข้าไปในทินนั้น แดนนั้นมากขึ้นพวกของรุษมากกว่าที่นั้นแดนนั้นก็กลายเป็นเพืองไปและแวกถินที่พระทุดงกรรมฐ า, านไปตั้งเสนาสนัป่าสำหรับเจริญสมณธรรมระหว่างพัรษาการฝนตกหนักนั้นยังไม่อาจขี่เส้นปักเฉืดแดนลงไปว่าเป็นป่าหรือเป็นเมืองคงดูกล่อมกึ่งกันอยู่แต่นั้นแหละแม้จะมีมนุษย์อยู่บ้าง แต่ก็เป็นส่วนน้อยจึงดูคล้ายกับมนุษย์เป็นผู้ล่วงล้ำก้ามเกินเข้าไปอาศัยอยู่ในเขตปากของเขาอย่างไรก็ดีพวกสิงสาราสัตว์เหล่านั้นคงจะรู้สึกถึงรังสีแห่งความสงบเย็นที่บรรดามนุษย์ผู้มีศิตษะโลนสองผ้าสีแก่นขนุนที่มาพมนักอยู่ตามกระสอบแค่ไม้ไผ่ท่านแผ่ให้ด้วยความเมตตา มันจึงไม่แสดงปฏิกิริยาต่อต้าน ใ, นใดๆให้ปรากฏสัตว์ก็อยู่ส่วนสัตว์พระก็อยู่ส่วนพลาวันดีคืนดีช้างป่าบ้างเสือบ้างหนีบ้างก็จะเดินลอยชายผ่านเข้ามาในเขตวัดหลวงปูเล่าว่าน้องอัวซอสมัยนั้นมีช้างป่ามากมายเลยเกินเสือก็มากเช่นกันใกล้วัดมีต้นมะขามป้อมป่ามาก ตาเนรได้อาศัยฉันเป็นยาปรมัิบางทีฉันมากไปกลางคืนปวดท้องจะเข้าท้วมพกเสือกระโดดข้ามศรีรษะไปก็มีแต่มันคงจะให้ความไมตรีเฉพาะแต่ที่บริเวณวัดเท่านั้นสำหรับชาวระแวกบ้านใกล้วัดซึ่งถือว่าอยู่ในเขตชายแดนประชิดติด ป, ปากของเขามันก็ยังแสดงความเป็นเจ้าป่าหรือเจ้าดวงพงไพให้ปรากฏบ่อยๆเช่น เข้ามาคาบเอาวัวเอาสุนัขไปเป็นอาหารแถมมีเจ้าเสืออันถ า, านตัวหนึ่งด้วยทำไมเรียกอันถ า, านเจ้าคะพวกเรารีบสั่ไม่เรียกอันถ า, านได้อย่างไรคราวนี้หลวงปู่หลุยช่วยอธิบายท่านเล่ายินยินธรรมดานิสัยของสัตว์โลกที่ไม่รู้จักบาบุญคุณโทษสัตว์ใหญ่ย่อมกินสัตว์เล็กปลาใหญ่กินปลาเล็กธรรมชาติเสือ ย่อมพอใจจะจับสัตว์ที่อ่อนแอกว่ากินเป็นอาหารเช่นบัวเจงกวางหรยอชุนักแต่มันก็มักจะจับเหยื่อก็ต่อเมื่อท้องร้องเป็นด้วยความหิวจ้ากเสือตัวนี้เข้าไปในเขตหมู่บ้านกัดบัวตายไปถึงหกตัวแต่ข้ามเอาเป็นเป็นอาหารแค่เพียงตัวเดียวทิ้งจ้ากบอีห้าตัวที่เหลือไว้ให้ชาวบ้านเจ็บใจเล่น ถ้าจับเอาไปใส่ปากใส่ท้องเป็นอาหารให้ใคลายหิวก็ยังพอทำเนาแต่นี่ไม่ใช่เช่นั้นน่าสงสารชีวิตวัวอีกห้าตัวที่สิ้นไปโดยเปล่าประโยชน์คงเพียงจะแสดงอำนาจให้ประจักษ์เท่านั้นถ้าไม่เรียกเจ้าอัตรพานแล้วจะเรียกอะไรท่านถามวัดป่าน้องวัวซอนี้ต่อมามีชื่อว่าวัดบุญญานุสรท่านละว่าความจริง ก่อนหน้าที่จะมาจำพรรษากับหลวงปู่หลุยที่หนองวัวตอนนี้ท่านได้เคยพบหลวงปู่หลุยมาก่อนแล้วระหว่างธุดงอยู่สามปากเขาแถวจังหวัดเลยอันเป็นภูมิลำเนาบ้านเกิดของท่านทั้งสองนั่นเองแต่ยังเป็นพระน้อยเพิ่งเริ่มบวชเคยลงเล่นน้ำสนุกสนานแบบพระเด็กๆด้วยกันตอนที่ 11, สิบเอ็ดพระนางมาัตรี เสด็จมาในกลางป่าประหว่างที่จับภาษาอยู่นะวัดป่า น, น้องวัวสอนี้ได้มีเหตุการณ์ที่น่าจะบันทึกไว้อย่างหนึ่งคือเวลากลางวันวันหนึ่งหลังจากที่ลุงปู่ได้ทําความเพียรอย่างเสร็จที่แล้วท่านก็พักจําวัดอยู่ในกุฏิ เ, เอิญวันนั้นโยมบรรดาของท่านที่บวชเป็นทีและยังอยู่ที่วัดป่าหนองโมบาน ได้มาเยี่ยมท่านที่วัดท่นลวากําลังจับวัดอยู่เพลินเพลินเพเพิ่งจะพักจากการทําความเขียนอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งอากาศก็เป็นใจด้วยฝนกําลังตกอยู่ตกใจตื่นด้วยเสียงโยมมาดาเรียกท่านเร็วๆเข้านี่ไปศาลาโดยด่วนเถอะคุณลูกนิมนต์ไปศาลาพระนางมาันทีมาอยู่ที่ศาลาแนะเร็วเธอท่าน พระนางมตติมาโยเบริท่านบอกว่าตื่นขึ้นมีเสียงเรียกของโย ม, มันดาทังเร่งเลา้าทั้งทุกประตูกุฏิเสียงโยมรรดาว่ามีคนมานิมนต์ให้ไปตลาท่านรีบของผ้าแล้วก็ลงมาจากกุฏิมาทันทีเพื่อตามใจยโยมไม่ทันคิดว่าเป็นใครมาทําไมธุระอะไรโยให้รีบไปท่านก็ตามใจยโย พระนางมัณฑีมาที่ศาลาโยมแม่กล่าวยำ้ำเมื่อเห็นท่านลงมาจากกุฏิแล้วท่านว่าท่านยังไม่ทันจะคิดอย่างไรสงสัยหรือคัดค้านว่าพระนางมัณฑีที่ไหนอย่างไรพระนางมัณฑีจะมาที่ศาลาได้อย่างไรเดี๋ยวว่าแต่จะจักหรสอคาดค้นถามโยมเลยแม้แต่จะคิดพิจารณาอะไรก็ไม่ทันได้กระทําพอท่านก้าลงจากกุฏิ มาพ้นได้อิจใจเดียวเสียงไม้ลั่นเสียนสนัน่นพร้อบกับเสียงดังโครงใหญ่ก็มาเกิดขึ้นกล่าวคือต้นไม้ใหญ่หน้ากุฏิท่านหักโค้นลงลงทับกุฏิของท่านแหลกละเอียดเป็นจุนไปต่อหน้าต่อตาท่านและโยมมารดาที่ยินตะเลงอยู่ตรงนั้นถ้าหากท่านยังนอนหลับอยู่ในกุฏิท่านละวาไม่อยากจะคิดเลยว่าร่างกาย ด้แหลกเหลวไปชัใดได้ความว่าฝนตกหนะักมากตั้งแต่ก่อนหน้านั้นตลอดทั้งวันทั้งคืนน้ำฝนคงจะเจาะรากต้นไม้ใหญ่ทีละน้อยจนถึงการเวลาที่มันไม่อาจจะยืดต้นต่อไปได้ก็หักโค่นลม้มลง